ลูกหลักของพ่อทุกคนตอนนี้ไปก็มันดูอันดีกันสถานที่เรานั่งบริเวณที่เราผ่านมาก่อนที่เราจะมาถึงไสรงามเราก็วแวะที่ปราสาทพิมายก่อ น, น, นเรียกได้ว่าปราสาทหินพิมายความจริงในที่นี้ปราสาทนี้เขาสร้างเลยหินแข็งแรงโลกรัก เอามาเทียบกับร่างกายของเราแลยหินมันแข็งแรงมากร่างกายเราอ่อนโปรกเปียกเหลวเลอะไม่เหมือนกับหินเขาสร้างดูวิจิตการตามีกิจกรรมต่างๆน่ารักคนโบราณ น, นี่รู้สึกว่าฉลาดจะมีความสามารถสูงตามนองสือประวัติเขาบอกว่าเจ้าขอม ที่รองท้ายว่าบรามันทั้สามมันพรมันวรมันบรมันเรียวสามมันคนแล้วกันจะสร้างกันทั้งสามวาระเป็นที่สําหรับเซการะบูชาเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์สมัยโน่นโลกรักระะาชฐานของบราชาก็าทำในบ้านไ ม, นม้เรายัางจะเห็นได้ว่าที่จังหวัดพิศณุโลก พระราชฐานของพระนารายมหาราชที่เคย ป, ประทับเป็นบ้านไม้หลังใหญ่จัดเป็นห้องหลายห้องพ่อเคยขึ้นไปแล้วก็นึกถึงความหลังนึกถึงความหลังว่าถ้าพระนารายท่านทรงอยู่ท่านจะประทับตัวไหนบ้างที่นี่ห้องอะไรนี่ห้องทำไรพ่อก็ได้เดาๆไปเท่านั้น มันจะถูกจะต้องแล้วไม่ก็ไม่สักเราไปเรามาคิดว่าพระนารายณ์นี่คงจะชอบบูชาพระนั่งบูชาพระนั่งสวดมนต์นั่งเจริญพระกรรมฐานแผ่เมตตาจิตเพราะว่าน้ำประไทยของพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่เป็นน้ำประเทศไทยของบุคคลผู้มุ่งความดีกระโงชนชาวประชาชาวประสบนิกรของพระองค์ เแล้วเดี๋ยวก็เลี้ยวไปหาบ้านอะไรร้อยวันมันก็ไม่จบ <c oughs> ไม่นั้นว่ามองดูปร า, าสาทลูกรักคิดมหมงหรือเปล่าลว่าปร า, าสาทเนี่ยเมื่อดีแข็งแรงสวยสดกลดามมีกำแพงล้อมรอบแต่้ว่าเวลานี้ปร า, าสาทันพางอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าสง่าวาโลกปนะนิจัง มองดูงประสาทแล้วก็หันกลับมามองตัวตัวโลกเองได้มองดูพ่อก็ได้พ่อเกิดมาพ่อไม่แก่เท่านี้จากโลกพ่อเป็นเด็กต่อมาพ่อก็เป็นหนุ่มต่อมาก็เป็นวัยกลางคนเวลานี้เป็นวัยกลิ้งคนแล้วไม่ใช่วัยกลิ้งคนอื่นกลิ้งตัวเองมันจะเดินไม่ไหวแข้งขาจะไปไม่ไหวอยู่แล้วจะกลิ้งอยู่แล้ว แล้วต่อไปไม่ชาก็เป็นวายผีลูกรักทุกคนก็มีสภาพอย่างนั้นตอนนี้จิตนึกวาดภาพว่าชีวิตที่ผ่านมามีกี่อัตภาพที่เกิดในโลกมนุษย์เกิดเป็นคนก็เกิดเกิดเป็นสัตว์เลีช้าก็เกิดจิตวาดภาพนึกถึงความหลังตั้งจิตคิดว่า อาณาภาพที่ผ่านมาแล้วเท่าไร่จงปรากฏกระายใจของข้าพเจ้าเวลานี้ภาพคงทุกคนก็จะปรากฏดูทีแล้ว่าเราทิ้งร่างกายมาแล้วเท่าไรแล้วทำไมเรายโมย้สนใจกับร่างกายนี้ย่งเกินไปมีบางคนก็ยาวสนใจกับร่างกายเข า, าคนอื่นแต่เรื่องปุกเพสันนิวาสพ่อไม่เถียง <c oughs> ถ้ามันมีความจำเป็นจะต้องแต่งงานก็คิดว่าแต่งชาตินี้ชาติเดียวก็ดีเปมนกันเข้าไปไประจนกับความทุกข์ให้มันจริงๆจะรวยทุกข์แห่งการครองคู่อยู่ครองกันมันทุกข์ขนาดไหนถ้าหากว่าเป็นปุพเพสนิาวาสแล้วแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันเห็นใจถือว่าเข้าโรงเรียนโรงงานฝึกเขแล้วกัน สำหรับประสาทหินไม่หมายาที่ตรงนั้นแล้วก็ที่ตรงๆา น, นบริเวณที่เรานั่งอยู่นี่ <c oughs> รอบๆบริเวณนี้ <c oughs> ไม่ใช่จะมีเมืองมีพระราชาแต่พวกวรมันเท่านั้นพวกวอรเราก็เคยเป็นพระราชาอยู่ใช้นามสมัยนั้นใช้นามว่าพรหมทัตหมดเหมือนกับขอมก็ลงท้ายว่าวรมันหมด ฝ่ายพวกไทยก็ขึ้นต้นเดียพรมทัต ไ, ได้ลงท้ายเดียพรมทัตเพะเรวาว่าเนื้อไทยก็เป็นคนพวกเดียวกันที น, นี้จะขอกล่าวพรมทัตให้ลึกเข้าไปอีก <c oughs> ลึกเข้าไปจากพรมทัตของไทยก็คือเป็นพรมทัตในสมัยที่พระพุทธเจ้าของเราสวยพระชาชาติเป็นปาจิตตกุมารเล่าเรื่องกันสนิดดีไหม ย้อนหลังไม่ต้องผู้ใหญ่มากผ่านคนหญิงโมมาคนนึกสึงภาพบอกเวลานั่งคนหญิงโมท่านทําอะไรบ้างท่านเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่เมื่อเวลาข้าศึกเข้ามาถึงที่แม้แต่นารีก็มีพิษหมือนกับลูกพญ า, า น, นาคไม่จะเป็นนาคตัวเมียก็มีพิษถ้าช่างจะเป็นช่างพังคือช่างตัวเมียก็มีกําลังกลา้า ฉะนั้นคนหญิงโมซึ่งเป็นสาวชัยไทยใจกล้าประกอบไปได้วยปัญญา <c oughs> ยอมเสียสละกายนิดหนึ่งเพื่อส่งชาติยามเพื่อรักษาชาติให้คงอยู่และเวลานี้ความดีของท่านยามปรากฏเขายังหล่อนุสาวรีไว้แต่ว่าร่างกายของท่านหญิงโมไปที่ไหนหมดเวลานี้เราเหลือแต่ภาพ เีความโหยหนแห่งใจไม่จะเกิดขึ้นถ้าได้คิดเมามันในกามโรกรีก็จงคิดว่าท่านทั้งหลายเหล่านี้ท่านมีศักดิ์ศรีใหญ่มีอานาจวา ส, สนาบารมีมีกําลังกายกําลังใจดีเวลานี้ท่านโยู่เปล่าท่านตายเมื่อท่านตายแล้วเราจะอยู่ไหมล่ะอยู่โั่ฟ้าดินสลายไหม หวนนึกถึงอั ต, อตภาพของร่างกายที่ผ่านมาแล้วเท่าไรเป็นคนเท่าไรเป็นสัตว์เท่าไรเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมเท่าไหรนั่นมันขังอยู่ไม่ได้ทําไมมันหลงเห ล, ล, ลาหลงไหลใฝ่ฝันเมามันเพื่ออยากทรงอยู่ของชีวิตถ้าสักาความทรงอยู่ของชีวิตต่อไปมันไม่มีหลักลูก อย่าแสวงหาไม่เกินพอดีเลยต่อท้ายไปก็ขอย้อนต้นนิดมาสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็เราเป็นหนอพระบรมพงโพเดสัตว์มีนามว่าปาจิตกุมารเป็นลูกของพระราชาเมืองอะไรพ่อจะไม่ได้จุู้นแถบจังหวัดอบบนนุบลราชธา น, นีเมืองแถวนี้พระราชาสมพนามลงท้ายว่าพรหมทัต ในก็บังเอิญท่านผู้นี้ปาจิตตุกมันพอทีอ่จะครองชละจะสมบัติได้พระราิวินดาต้องการใน ห, หาหญิงที่พอใจท่านเวหาใครท่านก็ไม่รักสักคนว่านามมนคุณสตรีทั้งหลายดีแสนดีแต่ก็ไม่เป็นทุยที่ถูกใจพระราชิวินดาก็หนักใจจึงเรียกหนมาโหนมาพยากร โหนนี่ก็โหนจริงๆแถมห้อยแถม แ, ถมแขวนด้วยเปล่าก็ไม่สับแกลงเ ช, งนนช่นลงหยิบอะไรก็ได้เช่นนวนมาลงเล่ฉับชับชับเข้าให้เพอลงเสร็จกพยากรณ์บอกพระสตรีใดในโรคนี้ที่เป็นคู่ครองของปลาเจดุวามันไม่มีแต่ว่าคู่ครองเกิดแล้วเวลานี้เกิดแล้ว แต่ยังไม่คลอดอ๋อโห <c oughs> นื้อชีท้ทางมาเกิดอยู่ในทิศนี้เนะื้ชี้ตรงมาทิศนี้เวลานี้ยังอยู่ในคันมารดาแต่คนอื่นจะมองไม่เห็นถ้าปาจิตุกมารไปจะมองเห็นมารดาเป็นชาวนานี่มันแหละแต่ว่าเวลาที่มนันมันดาเดินไปแล้วก็ปลาจิตุกมารจะเห็นพระเวกัฉัดกั้นข้า ง, งบนนั่นแหละ หน้ามนคือชมตูวคู่ครองเขาปลาจิตตุมานอยู่ในท้องเขาหญิงคนนั้นโอโ้โหอายุยี่สิบปีคอยนายอดนารีที่อยู่ในท้องามาแต่งงานกันอายุสิบหกก็สานิหกปีไม่แก่มากเดี <c oughs> ๋ยวนี้ผู้ยายผู้ชายอายุเจ็ดสิบแต่งงานกับหญิงอายุสิบเจ็อยังได้ยังไหวแต่หน้ากลัวไม่เป็นเรื่อง ถ้าเมาแบบนั้นไม่เป็นเรื่องพางแน่เป็นน้นว่าในที่สุดปราจิตุกุมายก็มาสังเกตการเห็นเป็นตามความเป็นจริงตามโหดำนายทุกอย่างจึงเป็นลูกจ้างคือเป็นคนช่วยงานบ้านนั้นแล้วก็ปลอมตัวมาแล้วก็ให้พระราชเวนดาก็ส่งเงินรับๆมาช่วยแต่คนนั้นจนกทั่งมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ ต่อมาจนท่า น, นารีรักคนนั่นคลอดออกมาแล้วก็ประกอบประหงพยายามเลี้ยงก็มเครี้ยงเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ยอดนารีได้อยอะที่หกปีก็แต่งงานกันนี่ขอเล่ารัตะนารีคนนี้นั้นแปลกลัว่าเกิดขึ้นมาแล้วสวยจริงๆเฮ้สวยเท่าโบครีไดไหมจ๊ะแต่รครี่กันหนงนั่งอยู่นะโบครี่บอกว่าสวยกว่ารูปร่างคนละแบบ เพราะว่านารีรักคนนั้นรูปร่าง ค, คล้ายๆสุดทรงเดียวกับแม่สีใช่ไหมแม่สีก็มานะนี่ที่เรานั่งอยู่นี่เต็มไปหมดนะใช้อำนาจที่จะขวยยานที่รูกรักใช้ให้มันคล่องพอพูดถึงใครจับจิตจับทันทีแล้วก็ถ้าสงสัยกับม็กจดก็ไดาะว่าใครแต่งตัวเสียอะไรจดย่อยๆแล้วก็มาจอยกัน ถ้าไม่มั่นใจพ่อจะตัดสินให้เราไปที่ไหนใช้รมจิตที่นั่นในเวลานี้ปราจิตตกุมายก็ยอดเยาวามายคนดีเวลานี้กันโดกก็ไม่เหลือแล้วจากนั้นก็เกิดเกิดแต่ตายมาอีหลายชาติจนทั้งมาบารรลุเป็นองค์สมเด็จพระมรมโลกกานิาคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเห็นไหมลูกรัก ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าในร่างกายก็พังอีกแล้วนนนิพพานเวลานี้เรามีพระบรมสารีริกธาตุเป็นขวัญใจของชาวพุทธทั้งหลายที่บูชากันแต่ว่าพระบรม ก, กายเขาองค์สมเด็จประสงค์ทันบรมศาสดาก็าสูสลายไปแล้วเห็นไหมว่าโลกหาที่สุดหาจุดจบไม่ได้จำไว้นะลูกนะ พระพุทธเจ้าทรงทราบดีว่าการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์การที่จะตายเข้ามาเป็นทุกข์ความจริงเสียงทั้งหลายเหล่านี้เป็นกฎธรรมดาที่เราอยากจะโง่ไปแบกเอาราคะเข้ามาแบกอโลพาเข้ามาแบกอโทสะเข้ามาแบกอโมหะเข้ามา ถ้าเราทำใจเฉยๆไม่สนใจกับราคะความรักเห็นคนก็จะดูแต่หนังพังหนังเข้าไปทึงเนื้อพังเนื้อเข้าไปถึงกระดูกพังกระดูกก็มืนตับตายไส้ปลอดดูสภาวะความจริงการเคลื่อนไปของร่างกายเพียงเท่านี้ใจเราก็ไม่ติดถ้ารวมจิตมันก็ปลอดจากราคะแห่งความกำหนัดจินดี แต่ความโลกขมายทีก็ดูว่าคนที่เ็เป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์ใหญ่เนี่ยเขาตายแล้วเขาแบกอะไรไปบ้างดีไม่ดีความโลกกดตัวให้จมลงไปโซนนรกเยอะแยะไปอย่างพระเทวทัตเป็นต้นและอารมณ์แห่งโทสะก็ดูตัวอย่างเทวทัตกับเหมือนกันเมื่อความปรารถนาไม่สมหวังก็เกิดความโกรธในพระพุทธเจ้าจะฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อยึดอำนาจ ก็ประเพณีแห่งความเป็นพระเขาตัดกิเลสพระเทวทัพไปสัสงสมกิเลสก็เลยลงอเวจีไปยังไม่จบพระเทวทัพแสดงละครยังไม่จบแต่พระพุทธเจ้าแสดงจบแล้วผู้เราก็ขอตั้งสตยาดิฐานขอ้นถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแล้วลกูกยกมือไหว้น้อมใจนมัสการ คิดว่าทาใดที่องค์สมเร็จพระวิิตตมานบรมศาสดาสมม า, าสมพทธเจ้าสมบรุ์แล้วขอให้ข่าพระพุทธเจ้าทุกคนบรรลุทำนั้นในชาตินี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วก็จงยะขออย่างเดียวนั้นลูกขอแล้วท่านให้ให้แล้วเราก็ต้องจัดทมปฏิบัติราคาจะกำจัดโดยอำนาจกามชันทะกับกายคตาลุสติ โลภะกำจัดในความเห็นใจซึ่ง ก, กันและกันแล้วก็มีทางการให้เป็นในสังหารวัตถุโทสะเราจะกำจัดได้ด้วยอนาจเมตตาบารมีโมหะตัวนี้ก็ใช้ปัญญาดูของจริงที่เราฟางที่พ่อพูดมาว่าแต่ละคนแต่ละคนเกิดกันมาไม่จบไม่จบเราจะไปเกาะไอจุด ท, ที่ไม่จบที่เพื่อประโยชน์อะไร นักษากําลังใจไว้ในขอบเขตให้จิตมาสงัดคล้ายๆกันอยู่ในห้องคนเดียวและคอยระวังห้องอย่างที่พระบาทสมเร็จเจ้าอยูห่หัวทรงตัดถ้าจารมจิตของเราเสงัดแนบนิ่งอยู่ในกําลังของสิ่งก็ดีเขาสมาธิก็กดีเขาวิปัสสนาอย่างก็ดียิ่เละเทงหลายเหล่านี้มันไม่ไมกล้าเขา้าเพราะว่าเรามีสติสมัยยะคอยมองหน้ามันอยู่เสมอ มันกลัวตาใจไม่ได้กลัวตาเนื้อมันกลัวตาใจถ้าตาเนื้อจะมาวิ่งเข้าใส่ถ้าจาตาใจไม่กลัวพ่อจะพยายามสอนให้ลูกรู้จากวิธีใช้ตาใจมันเป็นนกปาจิตทุกุมารรายนั้นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดมาใหม่ทั้งหลายครั้งเวลานี้ร่างกายก็พังพระองค์ปานิพาน ไปดูพวกวอรมันทั้งหลายที่มีอำนาจศักดิ์สิใหญ่ในเวลานั้นเวลานี้ร่างกายเขาอยู่ที่ไหนซากศพเขาทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นอนุนว่าโชมตรูเวลานั้นมีอำนาจราชศัก์ปกครองที่นั่นยึดเมืองที่นี่ความจริงเขตนี้มันเป็นเขตไทยเขตละวะก็คือเขตไทยเขามาตั้งอยู่ในแดนเหมือ น, อ น, อ น, อนอคนรวัดนครธมนต เขาสร้างอยู่ในเขตโ้นแต่แต่ว่าอาศัยที่เรานะมีมากกว่าเขาแต่เราไม่ได้รวมตัวกันเขาก็ถืออํานาจมาตั้งเมืองปั๊บเขาให้แนวบอกคนที่อยู่ตั้งแต่นี่ถึงนี่ไปต้องอยู่ในบังคับปัญชาของฉันเพในเมื่อพวกเราไทยเรามันไม่ได้รวมตัวกันเราก็จำยอมอย่างนี้เขาเรียกว่าประเภทจำยอม แต่คนที่จำบังคับกับคนจำยอมต่างคนก็ต่างคนจำตายไปเลยกันทั้งหมด <c oughs> เนี่ยนี้ก็ตอนด้มันเลงก็ได้เพลงมอนถึงถึงถึงถึงถึ ง, ถ ง, ถงปีโหยโหยนยนใจดัมันเพาะดีมากจะได้สะดุดใ จ, จว่าความตายมันเข้ามาถึง <c oughs> ความตายมันเดินเข้ามาหาเราทุกลมหายใจเข้าหายใจออก <c oughs> ให้ใจเข้าครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาครั้งหนึ่ง ให้ใจออกครั้งหนึ่งชีวิตเก่าสลายไปครั้งหนึ่งให้ใจใหม่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งชีวิตใหม่มาเกิดมั้นต่อติดต่อกันถ้าลมให้ใจขาดตอนเมื่อไหรให้ใจเข้าแล้วไม่ให้ใจออกให้ใจออกแล้วไม่ให้ใจเข้าก็ตายแน่นึกภาพทึ้งความตาย ล, กลุกรักบบทละครตัวอย่างก็คือปาจิตกุมารและวิชายา มันดาพวกวรมันทั้งหลายขุนแผนโบคลีในที่นี้ท่านแม่คนสำคัญก็มาไม่กันคนสำคัญก็คือวันทองที่ก็หาว่าเป็นโชว์แต่ความจริงไม่ใช่คุณช้างตด้ก็มาโอ้พยาพยาพานุ ม, มาติหัวไม่เหม่งก็มามาด้วย วันนี้เล่นเรื่องคุณช้างคุณแผนได้ดีไหมสแสดงละครซะเลยไปไงตายแง่แก่ก็ท่านบอกว่าตายแง่แก่ไปหมดแล้วเวลานี้มีแต่ผีช้างผีแผนแล้วคุณช้างคุณแผนไม่มีวันทองเหลาทองโบครีทองบารสีใครแตใครคนไกลคนไกลคนใกล้ไม่มีมีแต่ผีหมดหรืว่าไงก็ว่าไปเวลาเหลืออีกแปดนาทีเอาอีกขุน อยบอกลูกบอกหลานว่าอย่างไงชีวดีใครล่ะราวทองพันณวดีสีโสภาคใช่ไหมใช่โจคา่ะว่างนะั้นนะว่าอย่างไรงลือบอกว่าพูดย่อๆสิลูกจะได้จำได้ถ้าก็บอกฉันมาสิจ้ให้พูดว่าอย่างไงถ้าบอกสอนลูก ว่าลูกทุกคนพ่อเหนื่อยมากลูกก็เหนื่อยมากอย่าลืมอย่าไปหาแต่พ่อเหนื่อยมากที่ลูกจะเสียกำลังใจแค่ <c oughs> <c oughs> ว่าถูกลูกเหนื่อยมากแต่พ่อเหนื่อยคนเดียวเพื่อลูกต้องเป็นร้อยเป็นพันถ้าลูกหลายคนเหนื่อยเพื่อพ่อคนเดียวอย่าลืมนะว่าพ่อมันยุ่งนะ มันหาเรื่องเลยเยอะตลอดเวลานี่เธอตอบมาเหนื่อยเพื่อลูกใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ที่ทำนี้ทำเพื่อลกูกแล้วก็ทาเพื่อคนทุกคนความจริงธรรมะของพระเจ้าพอกินพอใช้แล้วถ้าจะกินจะใช่แต่ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เขาหี่ก็ต้องหาเผื่อลกูกสร้างว่ายังไ ง, อ, งอีกชี้ปที่นาฬิกาเวลาเหลืออีกหกนาที ไ้ขอเตือนว่ า, าแม่ขอสั่งว่าทุกคนที่มานี่เป็นลูกทั้งหมดบางชาติอาจจะเป็นลูกคนอื่นแต่ก็ผ่านมาผ่านในฐานะผ่านเธอที่เป็นแม่ม <c oughs> าก่อนก็ขอสั่งลูกทุกคนว่าทรรมใดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ่อแนะนำแล้ว ขอลูกทุกคนจงตั้งอารมณ์นั้นนัาอารมณ์ทรงทรมนนั้นไว้ด้วยดีจงอย่าคิดว่าชีวิตตินสีของพ่อจะอยู่กับโลกตลอดกาลตลอดสมัยเพราะว่าเวลานี้ร่างกายมันบุก ป, ปรับเต็มทีแล้วเกือบจะทนไม่ไหวจะต้องอาศัยกำลังใจข้าประคับประคองอีส่วนหนึ่ง แต่กำลังกายอย่างเดียวมันทรงตัวไม่ไหวฉะนั้นถ้าลูกทุกคนยังรักพ่อยังรักแม่ก็คอยทุกคนรักษาความดีที่มีอยู่แล้วให้เหมือนเกลือรักษาความเค็มและก็จงสร้างความดีตลอดไป ขึ้นช่อว่าความดีใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสเดาสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงแนะนำไว้แล้วขอลูกทุกคนจงนำไปประพฤติปฏิบัติโดยส่วนสุดที่มีความสำคัญนั่นก็คืออย่าเมากายจนเกินไปนี่เป็นถ้อยคำเขาไม่สีนะ อย่าเมากายอย่าเมาชีวิตยงอย่าคิดว่าร่างกายของใครดีดูร่างกายของเหล่านี้มันเต็มไปด้วยความสกปรกโสมมและมีความเสื่อมทรมเป็นธรรมดาไม่ไช้ามันก็พังอยู่คนเดียวมีความสุขสุขอย่างคนคนเดียวแต่ก็ทุกอย่างมีขันห้าแคนั้นขอลูกทุกคน จงตั้งหน้าตั้งตาปลงจิตคิดว่าอ น, นิจจาวาเดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนรออุ ป, ปาทวญยธรรมิโนโเมื่อเกิดขึ้นก็เสื่อมไปคือแก่ไปทีละน้อยละน้อ ย, อ ย, อยสุดส่วนไปอุ ป, ปาจิตวานิรุชันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วในที่สุดมันก็ตาย ให้อาใจนึกถึงภาพของคนตายเพราะเวลานี้คนที่เขาตายมันนอนอยู่ข้างหน้าของเราสภาพมันเป็นยังไงเตสังมูปสโมสุโขร่างกายที่เปื่อยเน่าอย่างนี้ถ้าเรางดไม่มีจะได้แล้วองสมเด็จพระบพิแก้วกล่าวว่าจะมีกายแก้วคือพระนิพพานขอแม่สรีเทพบกว่าเธอแนะนำเท่านี้นะ แล้วขอก็หมดท้ายว่าขอลูกทุกคนนึกถึงสภาพนี้ไว้เป็นปกติ <c oughs> อย่ารื่นเริงเกินเกินไปแล้วก็จงอย่าทำใจหดหู่เมื่อกดของกรรมมาถึงเราจะต้องสู้เพื่อหักล้างในการเกิดเราจะไม่เกิดต่อไป ขอทุกคนรักษากําลังใจอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสัดาล ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราจะทรงไว้ซึ่งความดีไม่มีความเลวตามกําลังของจิตตอนนี้เวลานี้ทุกคนมีจิตเป็นทิพย์ให้รักษาความเป็นทิพย์ไว้ให้ดียิ่งต่อสู้ต่อประศักดทุกอย่าง เราต้องไปในโลกที่มีความกตัญญูรู้คนเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คนในบุคคลของชาติในคนในชาติเดียวกันในชาติอื่นไม่ว่าชาติไหนใครทั้งหมดถ้าเขามีคุณกับเราเราจะสนองคนท่านโดยความดีอารมณ์ใดที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ดีจงตัดอารมณ์นั้นไปรักษากําลังใจไว้เพื่อผนิพันโดยเฉพาะ จิตผลคิดผนไม่ว่าไฟร้ายที่จะไหม้ใจคือหนึ่งราคะความรักในระหว่างเพศโลภะความโลภ ก, กอบโกยทรัพย์สินมากเกินไปโทษะอันตรายใหญ่คือความรุ่มร้อนของใจเกิดแตมหน่อยของความโกรธในจิตใจที่มองไม่เห็นโทษที่เรียกกันว่าโมหะคือความหลงจงยามีในจิตของโลกถ้าลงท้ายว่าแม่ของลาก่อน ขอประความปรารถนาดีของแม่จงมีแก่โลกทุกคนสวัสดีเข้าไปแล้วทุกครับว่งดูเวลาเวลานี้ถึงเวลาสิบห้านาฬิกาพอดีถ้าอยากคุคยกันไปอีกก็ไม่ไม่ไม่จบอ่ะพอคุณไม่จบจบเสียงหมดเสียงเมน่อไรตายเมื่อนั้นถ้ายังไม่ตายก็มีเรื่องพูดคิดว่าการคุยกันวันนี้นะ คิดว่าลูกของพ่อซึ่งเป็นคนดีคงจะมีประโยชน์กับลูกบ้างไม่มากก็น้อยตามสมควรเอาดเวลาหมดแล้วแล้วก็ลาดิลาไม่สีฮนะลาแต่คุณช่างหัวไม่เหม่งเ้ยเฮอย่าอย่ากมัดอย่ากามัดอ ย, ย่างเพราะว่าหัวไม่เหม่งทำท่ากามัดเก่งนะเนีล่ลาบบกี้ลาทุกทุกคน และขอบคุณท่านผู้ที่ทรงอธิสมานกายที่มากับขบวนคนใหญ่ของเราท่านได้สนองความดีกับพวกเราคือรักษาและมัตตวางภัยอันตรายให้และอย่าลืมว่าเทวดาหรือพรหมทั้งหลายต้องรักษาและได้เพียงแก้กฎของกรรมเท่านั้นถ้าสิ่งใดที่เป็นเหตุเกินวิสัยท่านก็ไม่สามารถจะโค่นมเราได้เอาละลูกรักทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถได้แล้ว ก่อนจะไปก็ใช้กำลังใจลาโบคีถ้าไม่เห็นตัวกันนึกเพียงสารเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้สวสนี